อันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษของการพบกับพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับรายการยกวัดมาไว้ที่นี่ของสีพีอ่อโดยประสงค์ที่จะให้โอกาสพิเศษก็คือวันสิบสองสิงหา ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เราจะได้ทำความดีร่วมกันเป็นการถวายพระราชูส ม, สม์และเป็นการเพลิดเกลียดแด่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาในราชการทิศดาและก็เป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้มา พัฒนาตนเองร่วมกันเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษกาตันยูซึ่งเป็นหัวข้อที่ทางฝ่ายผู้จัดประสงค์ให้มาพูดคุ ย, คยในวันนี้โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในเรื่องของความกาตันยูก็เกี่ยวข้องกับวันแม่แห่งชาติในฐานะที่เรา เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารก็จะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันความจงรักภักดีในภาษาธรรมะเรียกว่ากตัดยูกาตัดยูกันตะเวทีเขาบอกว่าเวลาที่เราดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่ ทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ที่บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองให้เราได้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตอย่างหาสุขปัจจุบันนี้เพราะใครบ้างเราก็จะต้องมีความตระหนักรู้ซึ่งท่านประมวลสรุปไว้เป็นสามสถาบันสามสถาบันก็คือชาติ าศาสนาพระมหากษัตริย์วันที่สิบสองสิงหาคมเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นโอกาสที่เราจะตอบแทนคุณแก่ประเทศชาติของเราสถาบันชาติาศาสนามหากษัตริย์สะท้อนอยู่ในธงไตรรงธงไตรรงนั้นพระบาทสมเด็จพระมงปุตรก้าเจ้าอยู่หัว ธงประกาศใช้เป็นธงสามสีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสามสถาบันหลักของชาติรงประกาศใช้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสี่ร้อยกสิบก็หนึ่งร้อยปีเศในสีของธงไตรรงค์ซึ่งหมายถึงสามสถาบันทรงอธิบายไว้ด้วยว่าสีขาว หมายถึงอะไรสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรเป็นพระราชริพน์ที่ทรงประกาศความหมายออไว้ว่าขอพระรังพันธ์บรรยายความคิดเคื่องหมายแห่งสีทั้งสามนามขณะขาวคือบริสุทธิ์สีสว่าง หมายพระไกรรั์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเหลาไซซึ่งยอมสลัได้เพื่อรักษาชาติาศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจองประชาทักโรมเป็นของสวดมง จัดริ้วเข้าเป็นไตรรมจึงเป็นสีทองเครื่องหมายแห่งเราชาวไทยทาหารอาวาตารนำไปยกยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติยักษในรงไตรรมเจนสะท้อนถึงสามสถาบันจากที่สรงพรนธนา น, านแัแหละถ้า ศา ส, สนาพระมหากษัต ร, ริย์ความกตัญญูก็คือจงรักภักดีรู้คุณค่าของสามสถาบันและปลูกฝังตัวเราเองให้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อสถาบันดังกล่าวนั้นด้วยความเป็นสุภาพบุรุษกตัญญูสุภาพบุรุษที่มีความกตัญญู หมายถึงอะไรทาว่าสุภาพบุรุษอาจจะเป็นคำบัญญัติที่คิดขึ้นมาที่เราใช้คู่กับสุภาพสตรีก็คือสุภาพบุรุษนั้นทางพจนานกะะะะะุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้คำนิยามความหมายไว้ว่าหมายถึงชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะและมีคุณธรรมมีกิริยาวาจาเรียบร้อยสุภาพตนเองสุภาพกุลธ์ชายที่เป็นสุภาพกุรุษต้องมีกิริยาวาจาเรียบร้อยรู้กาลเทศะคือปัญญาและมีคุณธรรมที่สําคัญเช่นกักตันยูเป็นต้น เริ่มจากคำว่าสุภาพสุภาพคือเรียบร้อยหมายถึงอะไรคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยทัาเรียบในทศพิธราชาธ ร, รรมว่ามัททวะตอ่อนโยนเวลาเราพูดถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินสิทธข้อมันจะมีความสุภาพอยู่ข้อหนอึง่งก็คือมัททวะ อ่อนโยนอ่อนโยนตรงนี้ทําให้นึกถึงภาษาฝรั่งเขาบอกว่าผู้ดีที่สุดจากสุภาพที่สุดผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดผู้ดีที่สุดจะมีะความสุภาพเรียบร้อยไม่ละรานในกิริยาวาจาเรียบร้อย ความสุภาพนี่แสดงออกแม้กระทั่งคนที่สุภาพเลยนะแม้วาระสุดท้ายในชีวิตเขาก็ยังสุภาพในประวัติศาสตร์ได้บันทึกถึงสตรีคนหนึ่งซึ่งมีความสุภาพจนวาระสุดท้ายในชีวิตเรียกว่าเป็นผู้ดีที่สุดสุภาพที่สุดคือพระนางมารีอังโตเนส ไม่เห็นสีของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบกเมื่อเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสเขาก็จับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบกประหารชีวิตใช้กิโยตินตัดคอแล้วพระานางมาริอัน ต, ตอร์เนไม่เห็นสีก็ไม่พ้นโดนตัดศีลประหารชีวิตในวันที่ประหารชีวิตเนี่ยเขาก็ให้พระานางแต่งชุดขาวพาไปที่ ปิโยตินที่สังพอ เ, เดินขึ้นไปบนนั่งร้านที่มีปิโยตินในช่วงที่พระนางเสด็จขึ้นไปเพื่อเอาคอไปพาาให้เขาตักพระนางมารีกันตัวนี้เดินชิดกับิจชาภาตไปหน่อยชายภูษาชายผ่าไปถูกศีสต์เพชฌฆาตพระนาง ขณะนั้ น, เ, นเขาจะจับเป็นผ้านะพิโยตินได้เห็นเหเนี่ยความที่เป็นกูศูสุภาพพอผ้าเป็นศีสาคือหันมาขอโทษเอ้ชัา้าคนที่จะตัดคอโระองนี่ันมาขอโทษเขาแล้วก็เอาคอไปผ้าเทียนให้เขาตัดคอประวัติศาสตร์บันทึกว่านี่คือตัวอย่างของคนที่สุภาพมากๆ เวลาที่เราจะแสะดงออกความสุภาพเรียบร้อยนีย่มันเหมือนกับมันต้องมีสถานการณ์ที่มันมาบีบคั้ น, นะะเหมือนกันนเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราโม โ, โหเนี่ยมันเก็บไม่อยู่นะสติมันแตกนตะตบากแตกแต่ถ้าคนที่ยังสุภาพอยู่เนี่มันจะคุมอ ย, อยู่ในยามที่เราบอกว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นคนขล้าหาญเป็นคนสุภาพเรียบร้อยดูแลปกป้อง ฟุบหลอก็เอื่จูมือคนข้ามถนมแต่เกิดรถสิบนมาี่ไม่รู้ว่าไอ้คนจูงหายไปไหนมันจะบอกถึงพื้นฐานเราว่าจริงๆนะ่ยเราเป็นคนต้าหาานไหมสุภาพจริงไหมเวลากรูขึ้นมาเหมือนช้างก้าวูไม่รู้ภาษาอะไรออกมามันสุภาพเป็นจริงสุภาพจริงมันจะต้องมาอยู่ในตะมนัสันดาลกรูฝังมานะเพราะฉะนั้นผู้ดีที่สุดจากสุภาพที่สุด ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดเราเป็นนักเกรยียนเตรียมทหารจะต้องมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญแต่ความเข้มแข็งความกล้าหาญมันแสดงออกตอนที่ถูกปิดนคันด้วยไม่ใช่ในวันวานรปกติในวันรักปกติคนที่ไม่ใช่คนที่เข้มแข็งก็แสดงความเข้มแข็งแงแบบไม่สุภาพไม่ใช่ผู้ดีก็ได้ เขาเรียกว่าแข็งกระด้างคนที่เนึกว่าตัวเองมีอำ น, นาจมาีบางก้าเนี่ยบางคนไม่ใช่สุภาพบุรุษเพราะอยากกระด้าแข็งแรงแต่อยากแข็งกระด้างอ่อนโยนแต่อยากอ่อนแงมันคนเรื่องนะล้วแข็งแรงแต่อยากกระด้าไม่ได้ไม่ใช่สุภาพบุรุษ ต้องอ่อนโยน ต, ต่อผูอ้หลังผู้ใหญ่ต่อผู้รับตรีต่อเด็กต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกกันว่าอ่อนโยนทีนี้ในความอ่อนโยนเนี่ยท่านบอกว่าคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาจะอ่อนโยนเขาจะสุภาพพาสิทโลกกันนิดโครมโลกกันนิดเขาบอกว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยุบ เลื้อยบอทําทเดโชเช่มช้าพิษน้อยหยิงโยโสแมงป่องชูแต่หาเองอ้าปวดอ้าลิปีคนไหนที่แข็งรกระด้างกระดกกระเอกโชว์าหน้าตัวเองอยู่เรื่อยๆพวกแมงป่องแต่คนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาจะเช่มช้าเหมือน เรียกว่าสารวจตัวเองมีสติตลอดเวลาเหมือนพญานาคราชพญานาคราชนี่มันมันมีพิษการกับพระอาทิตย์นะแต่มันเลื้อยมันไม่กลางนะถ้าไม่ถูกทําร้ายมันไม่มไม่มีปฏิกิริยาเลยมันจะไปเรียบร้อยเรียกว่านาคีมีพิษเพียงสุริโยุปเลื้อยว่าทำดโชแช่ม ช, ช้า น้อยหญิโยโมอะไรขอบเม่ขอบ ไ, ไม่ของได้จะัวดกำหน้าแต่ทิ้เป็นเท่าไรฉะนั้นคนที่เข้มแข็งจากสุภาพจะออนโยนอยู่ในกำมรสะดาในจิตใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ในยามวิกฤตที่มันกดดันความกล้าก็ไม่ได้หายไปพระพุทธเจา้าตรัสว่าเราจะดูคนกล้าดูตอนไห น, น ดูใครว่ากล้าเนี่ยดูในอยางที่มีอันตรายพระองค์ตรัสว่าอาปาทาสุภิคะเวตาโภเวทิตําโพภิกษุทั้ทททงหลายความกล้ากำลังใจพึงรู้ได้ในอยางที่มีภัยความฉลาดดูตอนไหนเราจะรู้ว่าใครฉลาดหรือไม่ฉลาดดูได้ตอนที่เจรจาร้องถามให้ของผู้ พูดแล้วเราจะรู้ว่าเขาฉลาดหรือไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นใครที่คิดตัวเองไม่ฉลาดมากวางฟองไว้เงียบๆไว้คนไม่รู้พูดมาแล้วมันจะรู้ว่าโง่และเพราะฉะนั้นความกาหารเมื่อเกิดภัยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงทีเดียวว่าในยามไม่กรงสุดนั่นแหละฉันเป็นคนกล้าหาเป็นคนเข้มแข็งยามตกกับ ใจเห็นน้ําใจของมิตรพางติดตโวประเทศเขาบอกเวลาที่เราตกอับเนี่ยไปหาเพื่อนหรือเพื่อนคนไหนเขาเราจริงเลยคนั้นแหละเพื่อนแท้เพื่อนแท้ดูแลกันในยางยากเพราะฉะนั้นน้ําใจมันจะต้องมีสถานการณ์ยามตกอับใจเห็นน้ําใจของมิตรยามศึกประชิกใจเห็นน้ําใจทหารยามสิ้นทัพจะเห็นน้ําใจผู้รองคือสามีภรรยา การอนาถาจะเห็นน้าใจของยากฉะนั้นเมื่อมีสถานการณ์ที่บอกงง บ, บอกว่าเรากล้าหารหรือไม่กล้าหารเราสุขภาพหรือไม่สุดภาพอะไรเนี่ยเราสามารถรักษาความสุดภาพเรียบร้อยคังเข้มแข็งความกล้าหา ไ, ได้มันจะต้องมีการฝึกฝนทําจนเป็นลักษณะ น, นิสัยไม่ใช่โช่วยปลุกช่วยหยา่างการฝลกฝังที่ว่านี้ มันจ ะ, ะแสดงออกในยางวิกฤต์ดังที่เหตุการณ์หนึ่งเนะเกิดขึ้นเมื่อปี2552ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาสายการบิน US Airways นะีมีผู้โดยสาร155คนขึ้นบินขึ้นจากสนามบินลา ก, กูเรียขึ้นไปบนท้องฟ้งฟา พอขึ้นไปเพเดียวพอขึ้นไปเนี่ยมันไปเจอโผงห่านะฮะห่านแคนาดาเขายแคนาเดียนาเกสอะโมันใหญ่มันบินอยู่แถวนั้นมั น, มนอพยพมาเ ป, ป, ป็ทปนทุงพอเครื่องบินลาที่ว่าเนี่ยขึ้นจากสนาินมันก็ไปเจอองสูงลบท่านแคนาดาที่บินมาเป็นผง พานจากการชนไปนิดเดียวเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ของเครื่องบินหลังนั้นเนี่ยดับกัปตันก็เลยวิทยุมาที่ภาคพื้นดินว่าตอนนี้เครื่องยนต์ดับไปเครื่องหนึ่งแล้วจะทำํำยังไงดีแล้วกําลังภาคคพื้นดินก็บอกว่าให้หันเครื่องบินบินกลับได้ไหมกําลังสั่การกัปตันก็บอกตอนนี้ดับอีกเครื่องนึงแล้ว เขาก็ถามว่าตรลงเครื่องบินปุนเนี่ยมีกี่เครื่องยนต์เข <c oughs> ากบอกมีสองเครื่องยนต์ตั้งก็เลยแล้วจะทํำยังไง <c oughs> บินก็ไปได้เครื่องมันก็ดับกับตันก็ตอนนั้นพอเครื่องดับในเครื่องบินนี่มันเงียบติบเลยนะไฟฟ้าก็ดับอะไรก็ดับก้นเลยเงียบกับตันก็บอกว่าบินกลับไปไหนไม่ได้แล้ว ถอนลมในแม่น้ำท่าศักดินั่นคือประโยคสุดท้ายที่ผมพูดกับภาคผืนดินเพราะว่าเวลาได้กรอบดำมาเนี่ยเอามาบอกซีเยนอยากได้ดูด้วยเขาเขาใสเสียงเขาอกประโยคสุดท้ายบอาถอนลมใแม่น้ำท่าศักแล้วกับตันเนี่ยก็ล่นเครื่องในเครื่องบินเนี่ยนะที่เครื่องดับสองเครื่องยนต์เนี่ย ค่อยๆล่อนลงไปในแม่น้ำตอนนั้นมาเดือนบนกราคมมันหน้าหนาวเขปิดหมดเลยอยู่ ใ, นในกล้ๆกับเทือกาสิภาพมันลงไปในแม่น้ำโดยที่ไม่ไปชนอะไรเลยเพราะแม่น้ามันว่างและความที่กัปตันเนี่ยใจเย็นเขาล่อนเครื่องบินเหมือนเครื่องล่องเนี่ยแตกกระแสหนาเครื่องไม่ไมระเบิดนะแล้วก็ไม่จมนะลอย เ, เต้ง เหือเรืออยู่กลางแม่น้ำทาศักเพราะเครื่องจอดในแม่น้ากัปตันคนนี้แกก็เดินออกมาจากห้องเอกกุคุปถามว่ามีใครเป็นอะไรบ้างเพราะว่ามีคนบาดเจ็บอยู่คนนึงเป็นแอร์โฮสเตสขาหักเพราะโบแต่ช่วยคนกัปตันคนนี้แกก็คุงนัง้นให้เปิดหน้าตาเอาขึ <c> ้น <oughs> เอาคนผู้โดยสารเนี่ยเดินลงออกไปนั่งอยู่ที่ปีเคื่อบินแล้วก็เอาแพรโย น, อ, นอะไรต่างๆออกมาให้คนไปรอกันอย่างนั้นจากนั้นโดยผู้ไทยลิงฝั่งเขาก็เอาเรือมาช่วยอพยพผู้โดยสารไปอยู่ที่ฝั่งขึ้นฝั่งคนที่ออกเป็นคนสุดท้ายจากเครื่องบินคือกัปตัน ชื่อกัปตันซันเรนเบอร์เกอร์หรือเรียกชื่อเล่นว่าซันลีซันเรนเบอร์เกอร์เนี่ยต่อเป็นคนสุดท้ายไปถึงฝั่งไปนั่งอยู่กับผู้โดยสารผู้สื่อข่าวทั่วโลกจะขอสัมภาษณ์กับตันคนนี้แกไม่ให้สัมภาษณ์ทางบริษัทบกว่าต้องตรวจก่อนนะไม่รู้ว่ามันชนลบจริงหรือเปล่าต้องหาสาเหตุก่อน ก่อนจ ะ, ะแถลงต่างแถลงต่างกัปตันก็ไปพูดนั่งจิงกบกาแฟช่วยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้โดยสารเต็มไปบอดงานนี้ปรากฏว่ารอดตายทุกคนมีบัดจิบบ้งางก็ลเลยเป็นเรื่องน่าสนใจมากคนก็ไปพยายามจะสัมภาษณ์กัปตันส ล, ลนะีแต่แกก็ไม่เห็นสมวิชแกนิ่งมากในที่สุดผู้สือ่อข่าวทั่วโลกไม่รู้จะสัมภาษณ์ใคร ก็เลยโทรไปหาภรรยาของกับตาซัลลี่บอกทำไมสามีคุณติ้งมีจังเลยสงบสยอความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ดณะเครื่องบินแหลกอนี่นั่งชนภรรยาบอกว่าแกเป็นคนอย่างนั้นแหละที่สำคัญก็คือเครื่องบินลานี้เป็นเครื่องบินพลเรือนก็จริงแต่ซัลลี่เนะี่ย เคยเป็นทหารอากาศขับเครื่องบินมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาขับเครื่องบินสนามรบมาแล้วเขาผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วเขาก็ไม่ไม่กลัวทีแต่เขาเป็นคนสุภาพและสงบเรียบร้อยสุภาพอย่างไรภรรยาบอกมาเชื่อไหมแล้วแต่งงานกันมาสามสิบปีนะถามดีคนนี้เนี่ยสุภาพมาก แล้วก็ซื่อสัตว์เสมอต้นเสมอปลายซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายยังไงภรรยาบอกว่าเชื่อไหมทุกเช้าก่อนไปทำงานสามีในฉันคนนี้จะชมกาแฟให้ภรรยาทุกวันสามสิบปีทำอะไรแบบตรง เ, เสมอต้นเสมอปลายปลายคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นเขาจึง ยกย่องกับการคนนีนะ้โดยให้รางวัลให้รางวัลเป็นประกาศให้รางวัลยกย่องโดยยกย่องว่าการลงจอดและปกผยกฉุกเฉินโดยาา ก, การเสียชีวิตนี้เป็นความสําเร็จทางการบินเที่ยววีรบุรุษนี่คือวีรบุรุษเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษ แห่งแม่น้ำพะสังหนังสือพิมพ์ประเทศไทยภาคอุทัในเช้าวันนั้นเนี่ยวีรบุรุษแห่งแม่น้ำพัสังวีรบุรุษคือคนเช่นไรวีร บ, บุรุษก็คืออย่างที่เขาให้คำนิยามไว้ว่า press under pressure วีร บ, บุรุษคือสานานามภายใต้ความกดดัน สางหารายได้ปานกดกันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะรักษาความสุภาพ ค, ความเยือกเย็นนี่คือสุภาพรุปเหมือนคุณซาลซารีจึงทำให้นึกถึงคำกรอดที่ว่าเป็นกาางไงด้ยิ้มได้ไม่ต้องฝึนเมื่อชีพชื่นเหมือนบะเลเพลงสว่าง แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัมาเราสามารถที่จะวควบคุมตนเองให้สุภาพเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายแม้แต่ในยามวิกฤตินี่คือสุภาพบุรุษแข็งเองแต่ไม่แข็งกนไนดะ้ออนโยนแต่ไม่อ่อนแอมีความ การควบคุมตัวเองตลอดเวลาแล้วสุภาพบุรุษเนี่ยในภาษาธรรมะคือไทยอันนี้พูดถึงความหมายของคําว่าสุภาพบุรุษที่เราปรรยัตขึ้นมาหมายถึงเจงนเนแเรชันไหนในในทางธรรมะคําว่าสุภาพบุรุษท่านเรียกว่าสัม บ, บุรุษสัม บ, บุรุษหรือสัตบุรุษเราเริ่มถึงสัมปริสธรรมะธรรมะของสัม บ, บุรุษนั่นคือธรรมะของ สุภาพบุรุษแล้วสัม บ, บุรุษหมายถึงคนดีสัม บ, บุรุษหมายตรงตัวว่าคนดีสุภาพชนก็คือคนดีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพชนคนดีเนี่ยจะต้องมีธรรมะของสัม บ, บุรุษสัมปริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตอนรู้ประมาณรู้การรู้บริสัทธบุคคลซึ่งไหนก็จะได้องกรองฉบับ ราชบัณฑิตฐานท่านบอกว่ารู้กาลังศีลรและก็มีคุณธรรมฉะนั้นสัมปบบรุษหรือคนดีเนี่ยมีคุณธรรมความดีหลายอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้คืออะไรคนที่จะเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษมีธรรมะที่ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าธรรมะขั้นพื้นฐานคนที่เป็นคนดีก็จะมีธรรมะขั้นพื้นฐาน เหมือนเราเรียนในในมหาวิทยาลัยเราจะเข้าโรงเรียนเรนร้อยเนี่ยเราจะต้องเรียนท่านพื้นฐานท่านพื้นฐานตั้งแต่ป .1 นะมาถึงม .3 และก็ม .6 ที่เทียบ เ, เท่ า, าเนี่ยเรียบทหารอันนี้เขาเรียกความรู้ท่านพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานตรงนี้มาเรียนต่อไม่ได้คนจะเป็นคนดีเนี่ยมันจะต้องมีธรรมะเป็นแบ็กกราวนเป็นพื้นฐาน ให้ความดีหรือเช่นความกล้าหาญเช่นความซื่อสัตย์ความสุภาพมันปักอยู่ได้ถ้าเราขาดพื้นฐานตรงนี้เป็นคนดีอมมาลจอมปลอมคบไปนานคือใคระคืออะไรพระพุทธเจ้าสััสไว้เลยว่าอ่านที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสามพุทธคนดีเนี่เลยจะต้องมีอะไรบ้างท่านตรัสว่อย่างนี้ว่าเอสาภิเษกสพัพพฤษภูมิ ยัที่การกตันยุตา่างกรตัวเวที่ตา่างแปลว่าความกรตัญญูกตเวทีเป็นภูมิคือพื้นฐานของคนดีคนดีต้องมีความกรตัญญูกตเวทีถ้าไม่มีกตัญญูกระตเวทีพบไป่ได้ประเทศชาติไม่ต้องการคนที่หากหลังในรคุนต่อประเทศชาติ เราจะเรียกว่าเขาเป็นคนคนเมืองดีได้อย่างไรถ้าเขาทําร้ายประเทศตัวเองเราจะเรียกว่าเขาเป็นคนดีของบ้านเมืองได้อย่างไรถ้าเขาเนรคุณต่อบ้านเมืองเราจะเรียกว่าเขาเป็นสุภาพชน Sent? สุภาพบุรุษได้อย่ถ้าเขาเนรคุณต่อพ่อต่อแม่ในเมื่อพ่อแม่ก็ยังไม่รู้จักบุญคุณและถ้าเราไปคบเขาเขาจะมารู้จักบุญคุณเราเหรอฉะนั้น ความกตัญญูการตระเวทีเนี่ยมันจึงเป็นเครื่องบอกว่าใครเป็นคนดีที่ควรจะคบที่ควรจะส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมความกตัญญูคืออะไรกตัญญูก็คือรู้อุปการะที่คนอื่นได้ทำให้เราใช้ทําอุปการะคือเกื้อหนุนให้เรามีวันนี้ไม่ลืม เขาเรียกว่าคนกัตัญยูแต่กัตัญยูต้องมาคู่กับการตักเวทีการตักเวทีแปลว่าประกาศการรู้คุณนั้นให้ปรากฏไม่ใช่รู้เฉยๆแต่ต้องประกาศด้วยประกาศทางวาจาก็ได้ประกาศทางกายก็ได้เวลาทุกวันนี่เราจะพบว่า คนไหนเป็นคนกระตันยูไม่กระตันยูง่ายๆเวลาเราให้ของเขาเนี่ยเขาซึ้งใจเราไว้ให้ของวันให้เงินให้อะไรกันต่างเยเขาซึ้งใจไหมถ้าเขาซึ้งใจแสดงว่ากตัญยูแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาซึ้งน้งใจเราเขาต้องกระตาเวที A A A. คือประกาศออกมาการประกาศออกมาทางวาจาเรียกเขาใช้คำว่าขอบคุณ ขอบคุณนี่แหละคือกตาตเวทีจะพูดก็ได้ส่งบัตรเป็นลายักัณอักษรแทงก u วขอบคุณไปยังผู้ที่ส่งของฝันส่งใรมาให้เราก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนกันตันยูกะตะเวทีทราบซึ้งใจกับความดีแม้จะเล็กน้อยของคนอื่นแล้วก็แสดง ปฏิกิริยาที่เรียกว่าดีใจที่เราให้เขาเนี่อย่างนี้น่าช่วยนะเราไปเห็นเด็กๆ เ, เนี่ยหน้าตาน่ารักได้ดูเวลาให้ของเขาไหว้เขาขอบคุณนี่นั่นแหละเขาก็จะดูกระต่ายวทีนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนเวลาอาจารย์มาก็ไม่ประสองค์อะไรเมากหรอกอมีความเคารพแล้วตั้งใจศึกษาเรื่อเรียน เหล่านี้ก็เป็ น, นกระตะเวทีตระหนักในคุณค่าของครูบาเจ้าการที่เรามีน้ำใจแสดงออกด้วยการขอบคุณด้วยการตอบแทนเนี่ยถ้าเรียกว่ากรตาญูและกระตะเวทีกระตาญูและกระตะเวทีนี้มันเป็นปฏิกิริยายในสังคมที่ทำให้สังคมอยู่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปูชาโกรัพเตปูชาวันทัโกปฏิวันพนาบูชาเขาเขาก็บูชาตอบไหวเขาเขาก็ไหวตอบมีเรื่อเป็นหลักสาคกดังที่โครบโลกอนิ้เขาบอกว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะตอบนอบไหว รักท่านท่านคุณครองความรักเรานาะสามสิ่งนี้เว้นไวแต่ผู้พรอชนคนดีเนี่ยเมื่อเราให้เขาก็จะให้ตอบตอบด้วยอะไรแค่ทั้งขอบคุณก็ยังดีวาไหวเขาไหวตอบรักก็รั ก, อรกตอบแต่คนไม่ดีทรอชนนี่รักฝ่ายเดียวเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ให้ก็ไม่ให้ตอบ และไม่ไม่แสดงน้ำใจต่อมันดีไม่ดีไม่ ด, มดีแววนกลับเราเอีกอักตันยูเนระคุณนี่คบไม่ได้ถ้าเราประสงค์จะให้ใครดีต่อเราไม่ยากดังที่นักาดังที่เด็กๆบอกว่านี่พูดในการโงเรียนมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูพ อ, อพูดรายการมานี่จะต้องไปผมแน่ๆเลยเออไปดูสิบอกกับเพื่อนนะักเรีบอกเพื่อนโอ เพื่อนแบบเองโง่ผู้ใหญ่ที่ไหนจะมาไวเองไม่มีหรอกอาใครดูพลงงานก็ได้พอพออเดินมาใกล้เพื่อนๆกดูสิน่จะไหวนักเรียนได้พอพออเดินผ่านมานักเรียนคนที่คุยรีบไหวอย่างนอบนอไหวพออพออพผไหวปัิติยานก็ไหวตอบทันทีแล้วเพื่อนคนไหนก็มาคุยกับตัวเองไหมพออไหวอ่ะก็แ็่ไหวเขาก่อน ไม่ได้บอกพี่ว่าใครจะไหวก่อนแต่ให้เขาเขาก็ไหวตอบเย็บแย้มแจ่ใสแก้เขาเขาก็ยิ้มตอบการตัญยูเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเรามีการหูไปไ่มาสังคมมันก็อยู่ได้แต่ถ้าใครก็ตามเอาแต่รับฝ่ายเดียวไม่การตัญญูรู้คุณไม่ตอบแทนคุณมันทําให้สังคมอยู่ไม่ได้ดีไม่ดียัางการตัญญูอย่างเนรุณี พ่อแม่มีคุณคุณคนไหนที่รู้คุณของพ่อแม่โลกก็จะใจไว้เนี่ยดังที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าในประเทศจีนเมื่อพันเจ็ร้อยปีมาแล้วในยุคสัมก๊กลกเจ๊กเนี่ยเด็กชายลบกเจ๊กอายุหกขวบเป็นเด็กซื่อสัตย์กาจันยูอย่างยิ่งจนแะ่ท่านผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูเขามาก นัเรือกันนะเด็กชายล้เจ๊กนี่กตันยูนี่นักเกิดวันหนึ่งคุณอาของลบเจ๊กเด็กชายลเจ๊กเนี่ยพาเด็กชายลบเจ๊กไปงานของผู้ว่าผู้ว่าเมืองนีชื่อก้นสุดผู้ว่านสุดจัดงานเลี้ยงใหญ่เลยปกติไม่มีเด็กไป็นลูกงานหรอกแต่เรื่องจากเด็กชายลบเจ๊กเนี่ยเป็นเด็กยอดกตัยูผู้ใหญ่อยางเห็นหน้าก็เลยให้อาเนี่ยพาไป พอไปร่วมงา น, นเขาก็แนะนํานี่ดิยอดกตันยูนี่ยนี่โอ้กันตันยูนดีเลือกอนยูโอดีดีลบเจ๊กก็หน้าบานเลยนะเด็กชายลบเจ๊กเนี่เด็กดีกยอดกันตันยูผู้ใหญ่ชื่นชมแล้วลบเจ๊กก็เอินไปเห็นเขากำลังเลี้ยงอาหารหมูเห็นเป็นไก่นะือของค้าวแต่แล้วก็ของหวานของหวานเนี่ยมีหลายอย่างลบเจ๊กกับทานไปแต่ไปสะดุดอยู่ที่ ส้มมีส้มส้มชีนะใส่ไว้ในเข่งในพานล็อกแจ๊กกิบส้มขึ้นมาจะปอกขึ้นใส่ปากไม่กล้ากินนะลบกแจ็กกินส้มไปหลงคิดถึงแม่แม่ป่วยนอนอยู่ที่บ้านตอนนี้มาร่วมงานไม่ได้กินอะไรไม่ได้นอกจากส้มแล้วเราก็ไม่มีสตังค์ซื้อนะ เพราะเราจนลบเช็คอยากจะเอาส้มเนี่ยไปฝากแม่เลยเกิดเพาแม่ป่วยอยากกินส้มไม่มีสตังค์ซื้อมองซ้ายมองขวาเห็นคนไม่สนใจก็เลยหยิบส้มเนี่ยใส่ไว้ในแข็นเสื้อเอาไปฝากแม่ใส่ไว้ในแข็นเสื้อสองข้างเลยแล้วก็คลอแขนไว้อย่างนี้ส้มก็อยู่ในแข็นเสื้อของแบบของจีนอ่ะ แล้วก็เดินไปเดินมารอให้งานเลิกจะได้รีบวิ่งเอาส้มไปฝากเม่พองานเสร็จหาจะกลับก็ออจกเจก้าลกยิ้งขำน้ำปลาบัวเสียสิขัน้ำปลาใะโปกติต้องเอามือประสานกันแล้วก็โค้งศีรษะลงแล้วก็คำนับผัวแต่เด็กชายลกยิก้งถูมืออย่างนี้พับหมหัวนิดเดียว พิดธรรมเดียมนะคั่านบอกว่าโอ้ไม่มีสมาธิแล้วว่าต้องเอาแขนลงประสานกันอย่างนี้แล้วก็กดหัวเด็กขาแล้วเอกเองโค้งลงเพราะแขนมันตกลงขนาดนั้ส่งกีบผลกี่ผลมันกลิ้งลงมาปุ้งๆๆๆต่อหน้าทาระกำนัดผู้ว่าและคนผู้ใหญ่เห็นก็หัวเราะเลยแล้วคนคนหนึ่งก็แซวผู้ว่าบอกผู้ว่า เด็กกาตันยูประเภทไหนน่ที่ขโมยกินยังไม่พออีนะยังขโมยซุกว่าไปอีกนี่หรือเด็กยอดกาตันยูลบเจ็กร้องไห้เลยแล้วก็ยกมือขอพูดหน่อยท่านทัน้งหลายรู้หรือไม่ว่าทำไมข้าพเจ้าจะต้องเอาส้มไปก็เพราะวันนี้ คุณแม่ของท้านเจ้าป่วยนอนอยู่ที่บ้านมาร่วมงานไม่ได้แล้วก็ทานอะไรไม่ได้นอกจากสม้มผมเห็นพวกท่านไม่ทานสม้มจะเอาส้มไปฝากแม่ผมฮวงได้หรือผู้ใหญ่น้ำตาสึนเด็กคนนี้มันยอดกันตาดูจริงๆเราในงานเลี้ยงนี่สันสันทีค่ะ ไม่เคยคิดถึงแม่เลยแต่ลบเจ๊กคนนี้คิดถึงแม่แล้วเอาส้อมไปฝากแม่พอพูดแค่นี้แหละผู้ว่าบอกว่าลบเจ๊คจะเอาส้อมกียเข่งนั่นไปฝากแม่เดี๋ยวจะคนไปให้ว่าแล้วก็สั่งการเนอเอาส้มเป็นลังอาหารเสื้อผ้าไปส่งถึงบ้าน และรู้ว่าลูเจมเป็นเด็กยากจนส่งเรียนจนจบการศึกษาจำดีเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นที่ปรึก ษ, ษาของสุนพลเป็นที่ปรึก ษ, ษาสุนพลจิวยี่ตอนที่โจโฉยกทัพจาดีสุนพลจิวยี่ขงม่รวมกันเพื่อจะสู้กับโจโฉขงม่งกระชากน้าไปเพื่อที่จะไปชวนสุนพล มารวบรบกับล่าปีที่ปรึกษาสุนวรไม่ยอมให้ผมงบิ๊กเนี่ยไปกล่อมเจ้าหนายเพราะไม่อยากให้รบเขาก็ส่งที่ปรึกษามาโต้วาทีกับผมบิ้กหนึ่งในนั้นคือล็กเจ็คโคมบิ้กพอล็กเจ็คก็เจอหน้าผมงบิ๊กก็ทัดเลยล็กเจ็คบอกว่าผมบิ๊กอย่าอาหารพ์เอาเจ้าหนายเรา ไปร่วมลบกับเล่าปีเล่าปเป็นชายพเนจรสู้เจ้าไหนเราไม่ได้ปกครองเมือง น, นี้มาสาชั่วคนตะปูดีทั้งนั้นเล่าปเป็นชายพเนจรทอเสื่อขายเพราะฉะนั้นตําพืชสู้เจ้าไหนเราไม่ได้จะเอามาเทียบกันผมเบ้งป่าโป้อะไรลูเ้เจอหน้าล็กเจ็คผมเบ่งป่า อ, อะไรบอกว่าท่านเนิ้วหรือชื่อลบเจ็ค เมื่อเป็นเด็กเล็กลักส้มเขาไปให้มานดาก็ขนานตัวเองยังมีพื้นปูอย่างนี้ยังเป็นอย่างเป็นโตได้แล้วทําไมจะต้องบอกว่าเจ้าไหนขกับเจ้าก็เลยเจรจาอันตรายคุณปวนเลยลวกลบกับเราปีเพราะการเจรจาของผมนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนที่มีความอัตยูนั้นเป็นอย่างไรได้รับการสรนเสริญรู้กันทั่วอย่างไรในเรื่องสามกงซึ่งเป็นเรื่องจริงนะ เหตเกิดเจ็ดกว่าพันเจ้อยปีมาแล้วในจีนเนี่ยเรียกว่าสามกบเพราะมีห้องเต้พร้อมกันสามองกบโจโฉก็มีห้องเต้องค์นึ่งาวีก็หนึ่งสุนพร็อก็อค์เขาเรียกยุคสามกบในยุคนั้นเนี่ยมีนักรบที่เก่งที่สุดคนหนึ่งจนคนพูดเป็นเขาเรียกต่อๆกันมาว่ายอดคน ต้องริโป้ยอดมาต้องเซ็กเขานักลบที่ไม่มีใครเก่งเท่าริโป้ถือทวน น, นะ น, นี่นะทหารอยู่บนหลังม้าเนี่ยริโป้คนเดียวเนี่ยลบกับสู้กับสามทหารเสือเนี่ยเล่าปีโวนอูเตหุยยังไม่แพ้เลยสามลงมหนึ่งไม่มีทางแพ้เลยใช้ทวนเนี่ยริโป้ล้เก่งมาก แต่ลิโป้ไม่มีความกระตันยูเกง่งกล้แต่อยากกะได้เป็นคนไม่กระตัญยูจึงไม่ได้รับการบันทึกว่าเป็นวีร บ, บุรุษในสามกพชะตากรรมของลิโปเป็นอย่างไรลิโป้ลบกับใครอยู่กับใครนี่ยนะจะหากหลังเขาลือกเลงไปสุดท้าย โขโจโฉใช้กนไกจับตัวไนดะ้มัดโอแกนมาเลมัดโอแกนมาโจโฉจะลงโทษลิโป อ, อย่างไรดีก็ถามเล่าปีส่วนลิโปก็คุณกระเล่าปีก็บอกล่าปีช่วยพูดกับท่านโจโฉให้ไว้ชีวิตลิโป้หน่อยเล่าปีก็ไม่พูดอะไรเพราะโจโฉถามว่า ควรจะไว้ชีวิตลิโป้หรือไม่เล่าปีตออจากนี้ท่านโจโฉคิดเอาเองก็แล้วกันตอนลิโป้อยู่กับเต้ปวนอยู่กับเตง้ปวนได้สาบานให้เต้ปวดเป็นเป็นพ่อบุญธรรมตัวเองเป็นบุตรบุญธรรมเต้ปวนอยู่มาอยู่มา ตัวเองเ ป, ป็นอค์รเต็งโหวตก็ดีตังโต๊ะตังโต๊ะเห็นริปโป้หน้ากลัวก็อยากจะเอาริปโป้มาอยู่กับตังโต๊ะนะก็เลยเอาเงินทองไปให้ติดถึงบทซื้อตัวริโป้แล้วก็เอาม้าเซ็กเทาเนี่ยยกให้เลยริโป้เห็นแก่เงินแก่ทองเห็นแก่ม้าเซ็กเทาถ้าเต็งโหวตที่เป็นพ่อผู้นำมาอยู่กับตังโต๊ะ เป็นองค์ขลังคิทัก่า ง, งโต๊ะยึดอำนาจห้องเทศะเสร็จแล้วฝ่ายที่อยากจะโค่นต่างโต๊ะมีอภิษฎเป็นต้นวางแผนว่าจะทํำยังไงถึงจะฆ่าต่าโต๊ได้ก็ก็ต้องติดสินบนลีโป้ให้มีระพุนฆ่าต่างโต๊แล้วยังทำยังไงดีเงินทองก็เยอะแล้ว มาเสกเทาก็มีแล้วริปโป้อทางอะไรเขาก็เลยใช้คนวายสาวงามเอาสาวงามที่สุดในแผ่นดินจีนเนี่ยไปไปยุ่ยโยนจุกได้เลยคือนางเตียวเซียนนางเตียวเซียนไปยุ่ยโยนจนริปโอหลงไหลทางนี้ก็แบกเขาอยากได้นางเตียวเซียนต้องฆ่าพ่อบุญธรรมคือตังโต๊ะ ริโป้ก็เลยฆ่าตัางโต๊แต่พักอีกก็มาอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เนรคูุนนะอยู่กับใครทำร้ายคนนั้นทางหลังคนนั้นฆ่าคนนั้นเล่าปีก็บอกท่านคิดดูนะโจโฉนะใครเป็นพ่อบุญธรรมริโปโ้ไม่ว่าแตงกูนต่างโต๊ตายหมดแล้วเห็นว่าจะมาให้ท่านเป็นพ่อบุญธรรมอีกนะ นิโป้เนีนะ่ยถ้าโจโฉคิดเองก็แล้วกัโจโฉพอจะยิงสะดุ้งเลยตังตัดคอนิโป้เลยนี่ลอกก็เก่งแข็งแต่แลอกก็เก่งอะไรก็เก่งหมดแต่ขานความซื่อสัตย์าดความกตัญญูไม่มีคำว่าที่เป็นพื้นฐานของคนดีคนก็ไม่คบคนก็สัรเชงใครที่อยากเป็นคน การเรียกว่าเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษสุภาพชนต้องมีความซื่อสัตย์ตัดกันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะประมาณเกือบร้อยปีมาแล้วมีนักศึกษ า, าวิทยาลัยเขาเรียกเอเมเพทเนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้เดินทางออกไปหาข้อมูลในหมู่บ้านชนบทในอเมริกา แล้วก็ไปเดินร อ, อดตรวจางนานวิจัยและศึกษาเตรียมแพทย์คนนี้ปรากฏว่าใขหิวหิวข้าวหิวนะ้ำไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านก๋เกี่ยวในเมือกาญฯ่มีร้านก๋เตี๋วในบ้านเราเนี่ก็เลยกัดฟันเถื่อนบัลลียางในท้องประตูบ้านหลังหนึ่งในชนบทซึ่งผลคนหนักเขาถือมากเขาถือเรื่องความเป็นส่วนตัว จะไม่รบกวนกนะันก็ไปคุยกันด้วยความในใจแล้วนักศึกษาหนุ่มคนนี้คนที่เปิดประตูมาเป็นหญิงสาวหน้าตาโคตรงามก็ยิ่งตกใจนะยิ่งประมาาเ ป, ป็นรบกวนเขาผู้หญิงก็ถามว่าต้องการอะไรนักศึกษาแพทย์หนุ่มคนนี้เด็กแพทย์หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าหิวหิวน้ําขอน้ําสักแก้วหนึ่ง พอน้ำข้าวแก้วหญิงสาวก็บอกอันเชิญเข้ามาในบ้านเลยให้มาในบ้านแล้วก็ให้นั่งรอที่ห้องครับแขงหญิงสาวคนนั้นก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ถือแก้วมาแล้วก็วางตอนแรกนึกว่าเป็นแก้วน้ําที่ไหนได้เป็นนมสดหนึ่งแก้ววางไวข้ข้างหน้าแกกำลังหิวเลยนักศึกษาคนนี้ก็ยก แก้วขึนนน้นดื่มพอทันทีแล้วนมเนี่ยแทนขอน้ำกลับได้นมสดมีกาลังก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถามว่าผู้ชายก็ถามว่านมแก้วนี้ราคาเท่าไหร่หญิงสาวบอกว่าแม่บอกว่าถ้าให้แก่ใครอยากคิดตังเพราะฉะนั้นไม่คิดตังก็เลยขอบคุณกันถามชื่อถามอะไรกันแยกย้ายจากกปัน หายไปนานหลายปีนะี่ยจนหญิสาวคนนี้เนี่ยแต่งงานมีครอบครัววัยกลางคนแกป่ป่วยป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้ไปที่โรงพยาบาลในในเมืองใกล้ๆเขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนแต่ไม่มีหมอที่เก่งต้องไปเอาหมอในเมืองนะ่ที่เก่งมากๆม า, มาสักคนหนึ่งมาช่วยผ่าตัด ถึงจะรอดเขาก็ติดต่อโชคดีนะหมอในเมืองที่วันเก่งนะ่มาเลยมาทำวิธีผ่าตัดให้รอดตายแต่การรักษาพยาบาลในอเมริกาเนี่ยมันแพงสุดผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลที่ไม่มีสตางค์ต้องขายนามาจ่ายค่าโรงพยาบาลนอนร่วมอยู่แล้ว ก็ขอบินเนะี่ยค่ารักษาพยาบาลเราจะต้องเตรียมสตังค์ทาโรงพยาบาลก็อิดปอดอิดอนในที่สุดก็ส่งบินมาให้บินที่ส่งมาให้เนี่ยบอกอาชาแพงริบบิๆๆ้วแต่มันจะมีประทับตราว่าเพศหือจ่ายเรียบร้อยแล้วและคนที่เซ็นเนี่ยเพศวิศ Full, อินฟูร์เขาเขียนเป็นภนะาษาอังกฤษอ่ะอินฟูร์วิทอะคลาสออฟบิวายเต็มแล้วด้วยนมหนึงแก้วผู้หญิงตกใจใครเขียนอย่างนี้ก็หมอสิที่มาจากเมืองเนี่ยมาผาตัดเซิร์ไปเซิร์ม า, า, มาจะรู้ว่าหมอคนนี้ชื่อโฮเวิร์ดเฮลี่เรียนจบมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแล้วไปตั้งมหาวิทยาลัย อารมพยาบาลจอห์นฮอปกินฮอลส์พิทอลแล้วก็เริ่มเป็นคนก่อตั้งในการจะมีอิทธิพลเยอะแล้วผู้มาผ่าตัดผู้หญิงคนนี้จำได้ว่าผู้หญิงชาวนาคนนี้เคยให้นมหนึ่งแก้วหลายสิบปีมาแล้วตอนที่หิวน้ำขอน้ำเขาก็เลยบอกไม่ต้องคิดอ่ะแล้วก็เซ็นว่าจ่ายแล้ว ด้วยนมหนึ่งแก้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความกระตั น, นยูคนที่มีปัญญาดีเนี่ยจะจาเมนใครทำดีให้ไม่รู้ลืมและในพุทธศาสนาเนี่ยนะพระที่มีปัญญาเลิกรลองจากพระเจ้าคือใครพระสารีบุตรเป็นผู้เลิกในทางปัญญาจะเป็นพระยอดกระตัอยูจบเมฆ วันหนึ่งพระพุทธเจ้าประชุมพระทั้งวัดเพราะมีคามแก่ๆคนหนึ่งร้องไห้อยากปวดปวดตอนแก่ไม่มีพระรูปไหนไปอุปชาให้พระพุทธเจ้าเองก็ถามว่าทำไมไม่บุบปวดไม่ได้ไม่มีพระไปอุปชาให้เพราะว่าบวดตอนแก่แล้วมาเป็หลงตาแก่ากวัดไม่มีใครปวดให้พระเจ้าก็ประชุมพระทั้งวัดแล้วถามพระในวัดว่า เธอทั้งหลายจำพรามคนนี้ได้ไหมเขายากจนเขายากบวดจำได้ไหมว่าพรามคนนี้เคยมีอุปการะคุณแกอะไรแก่พวกเธอบ้งางพระจำไม่ได้เลยพามแก่ๆจนๆแต่ภาษารบุรจาได้ยกมือภาษารีบุญบอกจำได้ นานมาแล้วตอนที่เขายังมีฐานะเขาใส่บาตรภาษาลิบุตรหนึ่งทพีใส่าบาตรหนึ่งทพีนี่คือบุญคุณที่ภาษาริบุตรจดจับพระพระเจ้าแบกดีแล้วภาริบุตรยกพรามคนนี้ให้เธอเป็นประชาบทให้คนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ จกจดจำบุญบุญของคนและมีโอกาสว่าตอบแทนคุณดังนั้นสุภาพชนสุภาพบุรุษสัจบุรุษเป็นคนดีที่เข้มแข็งอ่อนโยนเข้มแข็งโดยไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนโดยไม่อ่อนแอมีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐาน ของคนดีคือรู้คุณกตัญญูกตาวลิ่ีต่อแทนคุณต่อแทนคุณบุคคลก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อแทนคุณของสิ่งของที่เราใช้เช่นอาคารสถานที่โรงเรียนที่เราอยู่ห้องที่เรานอนต้องดูแลทำความสะอาด อย่าไปทำลายต้นไม้เราต้องดูแลต้องลดน้ำมันเพราะมันให้ออกซิเจนแกเราโรงอาหารให้อาหารแก่เราโรงเรียนให้ที่เรียนที่พักแกเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณและประเทศของเราเพราะมีประเทศแห่งนี้เพราะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เราจึงเดินบนผืนแผ่นดีนี้ได้อย่างภาคภูมิได้อย่างเต็มท้าใครเล่าที่ช่วยกันรักษาพึ่งครองดูแลส่งมาจนถึงรุ่นเราเราก็ต้องขอบคุณท่านและตอบแทนคุณของท่านเหล่านั้นนั่นคือความกตัญญูวันนี้พวกเราทั้งหลายสังนึกด้วยความกตัญญู กะตะเวที่ตาทำรู้คุณและตอบแทนคุณให้ปรากฏแล้วด้วยการมาประชุมกันที่นี้แสดงว่าเรามีความกัตญญูเมื่อถึงวันที่ 12, สิสองสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเราก็ไม่นิ่งดูดายมาทำความดีถวายแม่หลวแห่งชาติมาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระชุลซ้อนชื่อว่าเราท่านทั้งหลายเป็นคนกะตญญูรู้คุณ กระตเวทีตอบแทนบุญฉะนั้นในโอกาสนี้ที่ได้มาฟังธรรมเป็นธรรมวัวรสมาบุญเกิดจากการฟังธรรมและทมความดีอื่นนั้นเรียกว่าเราได้บุญได้บุญแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายเป็นพระรชุกุศลด้วยการตั้งกรยาณจิต อาิษฐานอ้างคุณพระศีรัษะตรัยและบุญกุศลที่เราท่านทุกคนได้บงเพ็ญในวันนี้และกว่านนี้ขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชั่เป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกสรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ในรัชกาลที่เก้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมและพร้อมใจกันถวายรพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรคี พ, พยะวรากรรวมทั้งพระบรมวง ศ, า ศ, าศ์สาทุวง์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนยิ่งยืนนานเจริญพระราชสิริสว ร, ริพัพนนะมงคลพระชนนาสุขทุกระการสถิตมั่นในมหายสวรรค์เป็นพระวิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของพระสงนิกรชาวไทยตลอดจิรัติจิสิการเทน